สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่6ของการเกิดผลเพราะนจ้า น, นของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15นะครับข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่13พี่น้องครับเพราะนจ้า น, นของพระเจ้าในเช้าวันนี้ความว่าเราเป็นท่าวงุนแท้ท่านทั้งหลายเป็นขแขนงและพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษา คแนนทุกขแนนในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสียและขแนนทุกแะแนนที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแนนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเทาชั้นใด ทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาวัหุ่นทั้งหลายเป็นขแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะ้าแยกจากเราแล้วทั้งหลายจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟ ถ้าทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่าทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพี่น้องครับโพลเจ้าของพระเจ้าจะอ่านไปถึงในข้อที่8นะครับเราทั้งหลายได้รับการมอบหมายภารกิจที่สําคัญก็คือการเกิดผลมากครับและการเกิดผลมากนั้น มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาาว่างนวครับก็คือพึ่งพาองค์พระเยซูคริสต์การเกิดผลมากนั้นเป็นความคาดหวังของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับหัวใจหรือพระไัยขององค์พระเยซูนั่นเองพี่น้องครับเราไม่เพียงต้องเกิดผลเท่านั้นแต่ต้องพยายามให้เกิดผลมากมากขึ้นมากขึ้นจนถึงมากที่สุดครับ และนี่ควรเป็นท่าทีในใจของคริสเตียนทุกคนมีคริสเตียนทุกหลายคนครับมีคริสเตียนมากมายได้เกิดผลบ้างก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ไม่ไดิ้นโนที่จะแสวงหาต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากพี่น้องครับนั่นไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามันนั่นไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์และสาวกของพระองค์พี่น้องครับ เราจะต้องอยู่ในหลักการอยู่ในแนวคิดของการเกิดผลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อสิทธิของเอลิชานั้นได้เอาน้ำมันเทใส่ภาชนะที่ได้เตรียมไว้จนหมดและเมื่อเขาหยุดเทน้ำมันนั้นก็หมดกับน้ามันมันก็หยุดไหลบันทึกอยู่ในพระธรรมสองพงกษัตย์บทที่4ข้อที่3ถึงข้อที่6เพราะเนื่องจากภาชนะเล็กเกินไป มันก็เลยจำกัดพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดประทานพระคุณให้กับเราพระองค์ทรงยึดปริมาณบรรจุของเราเป็นเป้าหมายครับถ้าปริมาณบรรจุของเราใหญ่มากพระคุณเทลงมาก็มากพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีชามที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะสามารถรับพระคุณของพระเจ้าได้มากขึ้นหลายครั้งทีเดียวผมพยายามที่จะสอนพี่น้องว่า ถ้าเราหงายชามเราจะได้ฝนครับเวลาที่ฝนตกแต่ถ้าากว่าเราคว่ำชามของเราฝนตกเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ครับเช่นเดียวกันครับถ้าชามของเราเล็กฝนตกลงมาฝนตกลงม า, ง ม, ามันก็รับได้น้อยแต่ถ้าชามของเราใหญ่ฝนตกลงมามันก็จะได้มากพื้นที่นาของเราเล็กกับฝนตกมาที่นาของเราก็มีอยู่แค่เนี้ย นะครับแต่ถ้าเราขยายแผ่นดินขยายที่นาของเราพระพรก็ยิ่งเกิดผลมากพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสามัญทีเดียวแต่หลายครั้งทีเดียวเรามองข้ามไปเรามองข้ามปริมาณบรรจุใหญ่ครับเพื่อที่จะรับพระคุณของพระเจ้าที่เท ล, ลงมายิ่งมากพี่น้องครับอย่าลืมครับปริมาณบรรจุใหญ่หรือปริมาตรบรรจุใหญ่ พระคุณเทมาก็ยิ่งใหญ่ยิ่งมากแต่คริสเตียนบางคนขาดความกระตือรือร้นในการสแสวงหาการเติบโตขาดความกระตือรือร้นในการสแสวงหาการเกิดผลมากก็เลยทําให้ปริมาณบรรจุเขาเล็กเกินไปครับก็ได้รับบางส่วนแล้วก็หยุดพี่น้องครับอย่าลืมครับเมื่อหยุดเทน้ํามันก็หยุดไหลสิของอดีชานั้นได้รับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้พี่น้องครับผมหวังว่าพวกเรา ก็จะไม่ต้องผ่านประสบการณ์นี้เพียงแต่เชื่อฟังครับว่าเราจะต้องเกิดผลมากเราจะต้องขยายชามของเราขยายภาชนะของเราขยายปริมาณปริมาตรบรรจุให้มันใหญ่ขึ้นครับพระพรก็จะไหลผ่านชีวิตของเราเหมือนกับเป็นท่อพระพรครับท่อพระพรที่นําพรไปถึงคนอีกมากมายนั้นหากเราเป็นพ่อท่อพระพรที่เล็กมันก็ไม่สามารถที่จะไปขยาย พระพรให้ไปถึงที่ต่างๆได้มีนักศาสนาศาสตร์และนักประกาศท่านหนึ่งชื่อจอห์นเวสเลย์หลายคนนั้นรู้จักครับจอห์นเวสเลย์ท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าทั้งโลกเป็นพื้นนาของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ภานกิจรับใช้ของท่านขยายไปทั่วโลกพระเจ้าตัดกับอับราฮัมว่าเจ้าเงยหน้าแลดูสถานที่ ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตวัตอนออกทิศตวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เรายกให้เจ้าและพงพันธ์ของเจ้าสืบไปเป็นนิดเจ้าจงลุกขึ้นเที่ยวไปตลอดดินแดนใี้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างด้วยว่าเราจะขยายดินแดนนี้ให้แก่เจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้การันตีได้สัญญากับอรรมครับว่า ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเงยหน้าดูครับดินแดนที่เห็นอยู่นี้พระเจ้าได้ยกให้กับอับราฮัมและพงพันธุ์ของท่านสืบสืบไปเป็นนิดครับท่านก็ลุกขึ้นเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วเลยทั้งด้านยาวด้านกว้างเพราะว่าพระเจ้าได้ทําตามพระสัญญาของโปรงและอับราฮัมนั้นก็ยึดพระสัญญาของโปรง์ไว้แน่นเลยครับยึดพระสัญญาของโปรงไว้แน่น ว่าพระเจ้าจะขยายยืนแดนนี้ให้กับพวกเขาและพงพันธ์ของเขาพระเจ้าได้ทรงทำสาเร็จตามน้ำพระทัยที่ดีของพระองค์ครับพี่น้องครับผมก็คิดถึงนักประกาศมิชชัรีที่เข้าไปในประเทศจีนที่มีชื่อเสียงหลายคนและหนึ่งท่านในนั้นก็คือฮัตสันเทนเลอร์ครับขณะที่มิชชัรีส่วนใหญ่นั้นประกาศอยู่ใน สถานที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีจำนวนคนเยอะแต่ว่าฮัตสันเทเลอร์นั้นท่านมีนิมิตที่กว้างไกลท่านมองเข้าไปในแผ่นดินลึกๆของประเทศจีนซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปประกาศมาก่อนในขณะที่แถบชายฝั่งทะเลของประเทศจีนนั้นก็คลาคํำไปด้วยมิเชเนอรีคราครํำไปด้วยขุสจักรซึ่งกำลังเติบโตแต่ว่าฮัสันเทเลอร์ครับท่าน ขยายขยายวงของท่านเข้าไปในอินแลนด์ไชน่าครับก็คือในแผ่นดินลึกๆของประเทศจีนยังมีผู้คนอีกหลายรอยล้านคนเป็นพันล้านคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าและนั่นครับคือการขยายดินแดนขยายดินแดนให้สำเร็จตามน้ำมัไทยของพระเจ้าคณะ cim ครับก็คือ c ชน n า i ินแล d ด์ s s i o n จึงได้ถือกำเนิดขึ้นครับแล้วในสมัยต่อมาก็กลายเป็น คณะ OMF ก็คือ Oversea Mission Missionary Fellowship ครับนั่นคือที่มาที่ไปและจุดกำเนิด น, นั่นก็คือมีชายคนหนึ่งที่เขาได้ขยายนิมิตของเขาขยายท่อแห่งพระพรของเขาขยายให้เกิดผลมากครับการเกิดผลมากนั้นกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เป็นน้ำพรไทยที่ดีเลิศประเสริฐเพื่อที่เราจะเกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้านำวิญญาณคนอีกมากมายให้มาเป็นสาวกให้มาเป็นผู้ที่พระเจ้าได้พอพทไทยเป็นลูกที่รักของพระองค์อาเมน